สัตว์มีเฉพาะร่างกายส็นาห า, านอยู่หาจริงทําวรงทลแรงอยู่ส่านจิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เร่งุทธรรมนุษย์ท่านสอนศาสนาใ้คี่สอนเรื่องใจ ม, ใจมีใจให้มีใจให้มีทาเป็นเร่งยุมีอารมณ์มีที่ขึ้น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 ผู้สอนพิสูตพิสูตท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบทเป็นพระเป็นบวชล่าเที่ยเเรียกว่าพิสูตแต่ว่าผู้หิมไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพะนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสอนสอนพิสูตซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับเราและเป็นผู้มุ่งมัน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 อนแล้วนินคือกินแล้นอนนั่นเอง ท, ทาการทางานอะไรก็คิดไปเชื่อตกันด้านวัตถุอยากนั่งอยากมีอยากนําอยากรวยจยากเป็นเศรษฐีกรุงตัว อ, อยากมีขี้มีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าโอยแล้วดิเ่โอ้มันมา น, น, น, น, น, น่เนด็ดเลยเจ้เจ้เจเจ้เจ้เจ้เจ้เจ้เจ้เ่้เจ้เจ้เจ้เจ้เจ้เจจ้่จจ มันเลยกลายเป็ตรงข้างเกิดความทุกข์ความลําบากหน้ามากลากเ็เพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังสะดุดกระโดดแต่ที่พึ่งภายนอกอีกให้ความผมดีหนักในซุนเฟอร์หรือนตัวนเนนนี้ดนตัว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 ยินน่แม่เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วก็ทำให้เราถึงอยู่เส ม, มอไม่ลืมไม่งาอใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเส ม, มอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเส ม, มอให้ใจเป็นสิตเบโดยลำพังตัวเอง่ไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นสิ่นี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจโดรละความสิตนอกจากทาเป็นอารมณ์เท่านั้น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 คือถึงความ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำเพ็ญส่งเสริตนเองสนุกความก็คือหลักอย่างการสังสมที่ขึ้นที่มีความแน่นหนามันขูดขึ้นทางในใจิตใจพระว่ า, า, าว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงกลางวันหนึ่งนั้นอย่างท่านสอนอยู่ทุกทุกขณะทุกยีร่ามู ล, ละโดยที่ทํานเนี่ยไปเรื่อยผ่านไปเลย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 จ้างเป็นหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนาคตเป็นาาปหนึ่งมันต้องคิดไปแล้วนีสายของคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิดสายสามัญชนเรนาต้องคาดต้องคิดต้องว่าดภาไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันตั้อยู่ด้วยกันขีดเดียวพอามาแยกหมดแทนที่จะเชือไปท้าใยาเกิเดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเดียวนั่นเดียวีิเลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่คนเชีอกนั้นเลยเสียไป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 มันคือตามหลักธรรมชาตเป็นอย่างทุกขงังบางครัหนึ่งทข้ามาคนไม่ได้อืก็ไปแยกแยะถับแสงกันออกยุ่งไปหมดเลยแล้วว่าทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแปลว่าไม่เที่ยงทุกขังคนไม่ได้นะตามอตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง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 สาวโลกทั้งหลายเมื่อได้สนับธรรจากประพุทธเจ้าแล้วก็ต่างองต่างเสาะแสวงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในธาตอันนี้อยู่ในสถานที่ต่างๆจะโอดหวักมากแค้นมากแค้นประกาะรใดก็กสากพยายามดุจดยงเพราเห็นแต่แจะทำเห็นแต่ทำเพ่งทุกเห็นแต่ทำลงสติจนกระทั่งได้ฟาดขึ้นเป็นที่ขึ้นอยากอกต่ตางๆกันไป กลายเป็นทุตทางสังนนิษฐานทำมังสันนิษฐานทั้ ง, ง, งทางสันนิษฐานของพวกเราขี้นมารวแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งก็เป็นธรรมอันโย่ทั้งพุดธทั้งธรรมทั้งโสท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธมฺโมตั้งโขจาริตนาเพิ่มฟั ง, ง, ง ต, ติวัติโตอนยะมัญญานิโยอนยาวะเตจีพุทธตัมสนตโต ทำแต่เมื่อกล่าวโดยทางวัตถุหรือกาวโดยแยกเป็นสมวนนุกแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่และอย่างไม่อย่างเป็นแต่และประเภทประเพศเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อ่านแยกกันมากหรือี่ดันเปะน็ะไต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 มีอะไรแทรกซึง เ, เป็นไปหมดจนกระทั่งธรรมชาตาิละเียดนั้นก็มีคุณค่าในความย่สุดของตัวเองคุณได้กาหนดตนว่าอำนากมาสนานนั่นต้มีศีลมีปัญญาเป็นคนอาภัพอ่านว่าว่ามาทลายอันนั้นธรรมชาตินั้นมันก็มีอยู่อย่างนั้นแหละสิทธที่ติดดังการว่าแบบนี้เพื่อความอ่อนแอบเพื่อความเคาะขอปแเดยซึ่งก็เป็นนโยบายของเจลิญประเทศหนึ่ง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 ทำไมเราพูดตรงอัดตรงทำจึงจะไปส่งเสริมความอาภาธอัตเต๋อนี้นะทําตนให้อ่อนแอลงไปทุกวันทีกวันซึ่งเป็นการได้เกืียของที่เดียดามากมายก่ากองไม่สำควรแต่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอน อ, อย่างองอาจกล้าหาเลยเราควรคิดอย่างเชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกนี้จะไม่ถึงมิตรพัิพันในขณะมิชาตินี้ก็าตาม